สิกขาบทที่8ว่าด้วยการให้ฟู้นโผล่ธนาเรื่องภิกษุณีอันเทวาสินีของพระพัฒกาปิลาณี869สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีอันเทวาสินีของพระพัฒกาปิลาณีอุปถัมภ์พระพัฒกาปิลาณีโดยเคารพ พระพุทธกาปิลาณีได้กล่าวกับภิกษุณีทั้งหลายดังนี้ว่าแม่เจ้าภิกษุณีนี้อุปถักเราโดยคารบเราจะให้จีวรเธอแต่ภิกษุณีนั้นเพราะความเข้าใจผิดเพราะใครควรผิดให้ผู้อื่นพรวนนาว่าแม่เจ้าเขาว่าดิฉันไม่ได้อุปถักแม่เจ้าโดยคารพแม่เจ้าจะไม่ให้จีวรแก่ดิฉันบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิ ประนามโพนธนาว่าชนัยภิกษุณีจึงให้ผู้อื่นพนธนาเพราะเข้าใจผิดเพราะใครควรผิดเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ